มหาสติประฐานั้งสีนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงที่นิคมแควนกุรุตแควนกรรมมาสถามกมมาสถานนิคมชาวกุรุชาวกุรุรแควนทกำกรรมมาสถามาพูดถึงมหาสติประฐานั้งสี่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 มันเป็นการทดสอบดูว่าอารมณ์อะไรที่จิตมันชอบที่สุดมันชอบย้อนมากำหนดจดจอที่จิตเราก็ย้อนไปดูที่จิตดูจิตยินดีไหมจิตยินร้ายไหมจิตติดโสมไหมจิตติดทุกไหมทุกมันก็ติดนะมันก็วันที่จิตนั่นแ่ะคือจิตติดทุกเจ็บมันเจ็บมันปวดนั่นแะคือทุกในขณะที่เราทำกายกับจิตมันจะสัมผัสสัมผัสกันตลอด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 ตามรู้ตามเห็นเวทนาภายในกายภายในจิตตามรู้จิตจิตนี้เราจะตามรู้ได้อย่งไรเราตามรู้จิตเราไปกําหนดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตจิตดีใจนั่นอารมณ์ขึ้นมาจิตเสียใจจิตรู้จิตเห็นจิตอะไรต่ออพยายามไปจับความรู้สึกของจิตนั้นเขาเรียกว่าพิจารณาจิตจนกว่าเราจะจับจิตตัวละเอียดได้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 ต้องจะรักษาศีลนะเพราะศีลนมันเป็นช่องแต่ละช่องแต่ล ะ, ละรูถ้าหากเราไม่รักษามันก็เป็นการสารวมระมัดระวั ง, ข, งข้างในในยากพอเราตลำ่ตลำหลอมรวมรักษาสำรวม ร, ระวังเฉพาะศีลอย่างเดียวมันก็เป็นธํรในตัวแล้วก็เอาจิตดงนี้มาสำรวม ร, ระวังเนี่ยมันก็เริ่มเป็นรแล้วเริ่มคล่องกับการสำรวมการระมัดระวังแนละ้วรักษาจิตคิดขึ้นมาอยาก่าสัตว์เงี้ย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 ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาจากนา้ําใสๆนูดึกมาเป็นก้อนนั่งโตมองเต็มงอยู่นี่มีอะไรอยู่เท่าเดิมหลังจากนี้ไปก็จะเจริญก็เจริญไปเรื่อยไปถึงไบเสื่อมเสื่อมเสืมเสื่อมเสื่มเสือ ม, ๆมๆๆไปเรื่อยถึงคราวอยู่ไม่ได้ก็ตายไปก็ดับสลายไปอันนี้คือภาวะของมันนี่คือกระแสของธรรมชาติกระแสของธรรมชาตินี่แหละคือกระแสของธรรมการเข้าไปรู้เห็น